อบรมพัฒนาจิตจากทุกมาเป็นไม่ทุกมันก็รุมร้อนหน่อยนิใจอุนิจใจจริตความเคยชินคุ้นชินต่างๆอบนิ้ร้อนใจกันติใจตะบะ มีเก่าตัวนดกลั่นใหม่ๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นต้องฝืนต้องทวนแต่พอผ่านไปผ่านไปมันก็เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาก็ถือว่าสุขดีแล้วเมื่อการบวชจากคนดิบก็เป็นคนสุขขึ้นมา ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาไม่เคยได้ยินก็ดียินขึ้นมาอบร้อนถ้ว่วางกันโดยกรอบแท้แล้วรมก็ทำให้งามยังแผ่นลมควันเกจเเก็บเก C ซีโลหะลมทองแดงลมควัน มันทําให้งามขึ้นมาทนมีความทนมีความงามจิตมันจะเป็นเช่นนั้นมาผ่านไม่ได้คล้อยตามความคิดหรือว่าความคุ้นชินต่างๆไหลลงต่ำความเสื่อมมันก็เหมือนก็จะดีขึ้นมาคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นมา มีกิริยามีอาการมีมารยาทต่างๆเป็นผลใช้ได้จริงเราก็เห็นกันทั้งเราเห็นตัวเองทั้งคนอื่นเห็นเราเป็นกระจกเงาสะท้อนผู้อื่นเห็นเราเราเห็นเราก็ทำให้เกิดความเป็นมงคลหลายสิ่งหลายอย่างคุณค่าคุณธรรมต่างๆ เป็นทั้งกัลยาณมิตรเป็นทั้งกัลยาณธรรมการปฏิบัตนะิการเดินทางบางทีก็เหน็ดเหนื่อยก็ต้องอาศัยนะกัลยณาณมิตรบางทีก็อ่อนแออ่อนล้าก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรบางทีก็ต้องอาศัยการเคียนกิเลสด้วยตัวเอง ก็ต้องฝืนใจฝึกฝืนฝึกฝนอะไรที่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับการดําเนินชีวิตกับฝนออกไปรูจ้จักหยิบใช้ตรงตามกาลเทศะเมื่อต้องเป็นอย่างนั้นการพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราจนจะอยู่ที่ไหนก็ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว มันไม่ใช่เป็นแก้ความรู้สึกตัวอย่างเดียวมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการเคลื่อนกันไหวเป็นการฝึกหัดจะในรูปแบบจะนอกรูปแบบอันนี้เป็นการฝึกหัดฝึกจนกระทั่งเห็ น, นเห็นว่าไม่สูญเปล่าเหมือน ก, ก็การทำงานทำการเห็น แต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่ศูนย์เปล่ามีผลลัพธ์เป็นกําไรนะไม่ใช่ขาดทุนเวลาล่วงไปล่วงไปกันเวลาผ่านไปผ่านไปปัจ<สะ>นี้เราทําอะไรอยู่<สะ>นะอยู่กับ โ, โ, โ, โ, โ, โลกโลกโลกิยาว่าโลกโลกุตละอยู่ธรรมะธรรมชาติรู้จักธรรมชาติเห็นธรรมชาตินะ กคือการเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นวัตถุภายนอกก็เป็นวัตถุภายในก็เป็นวัตถุความคิดของเราก็เป็นวัตถุเคยแล้วก็เกิดปฏิยาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นวัตถุเครื่องนอกก็เป็นวัตถุเห็นแล้วก็ทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ จากการดนะูความรู้สึกที่กายต้นเหตุการของกายเห็นความรู้สึกที่จิตเห็นเหตุการของจิตมันก็ตอบได้นะวัตถุอาการปรนะมัดทิมแสดงออกมานะไม่ทุกคนะาคืออาการของธรรมชาติที่มันมีอยู่นะตามกฎของธรรมชาติ เราเข้าถึงแก่นถึงแก่นก็คือวิมุตตหลุดพ้นทุกขังที่รู้สึกตัวมันไม่ยึดนะมันแม่ว่าเป็นความทุกข์สภาวะผู้ดูสภาวะของการรึกรู้กับสิ่งที่ถูกรู้กายหยาบหยาบดุนดุนก้อนก้นแท้สี่เป็นเครื่องเลิกรู้จนแม้ว่าเป็นความทุกข์ เป็นความเกิดจินคุนจินหยิบใช้สะดวกนามก็เหมือนกันอาการของเขาแสดงออกมามีสมมติมีบัญญัติอาการของจิตก็ปกติบ้างไม่ปกติบ้างไปตามความคิดหลงเข้าไปในความคิดปรุงแต่งกับความคิดเข้าไปมีพื้นฐานของจิตนิสัยมุมมองแงม่มุม เแล้วมันก็ปรุงไปตามเรื่องราวของต่ละบุคคลหลายมุมหลายช่องมากบางทีก็แยกเป็นเป็นการคิดแบบคุณค่าแท้ใจได้บางทีก็คิดแบบคุณค่าเทียมใจไม่ได้มีคุณค่าแท้คุณค่าเทียมแยกแยะแตมีสติให้หยิบมาคิดเกิดประโยชน์ทีเดียวทำงานทำการไปยินละพูดกิดแล้ว แต่ตัวที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้เจตนาคิดนะตัวที่ผุดเกิดขึ้นมานั่งมันก็นั่งด้วยนอนก็นอนด้วยยืนก็ยืนด้วยเดินก็เดินด้วยกินข้าวก็กินด้วยบางทีเราสังเกตดื่มน้ําสักแก้วมันก็ตกลงไปในแก้วน้ําบางทีทําว่าสวดมันมันก็ยังสวดกับเราด้วยนะบางทีมันก็เป็นลักษณะของไม่ได้สวดกับเราด้วย เราตั้งใจจะสวดนะถ้ ล, ะลึกถึงกรรมสวดมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งหาบุคคลหนึ่งสองสาสี่วัตถุนึงสองสามี่สถานที่หนึ่งสองสามสเราก็รู้ทันทันกวันทันทีทันใดจนสมาธนะิความเป็นปกติจิตนะเหมาะแก่การงานความบริสุทธิ์กรรมมณิโยบริสุทธโตมันก็ มีขึ้นมาเกิดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาเราก็ฝึกฝนอย่างนี้แหละดูกายดูนาดูจิตดูธรรมฝึกฝนดูกายตัวเดียวมันก็ไปเวทนามันก็ไปจิตมันก็ไปธรรมเราก็รู้เท่ารู้ทันความเป็นเองของเขาสติสิ่งนี้ไม่ต้องร้องขอแต่ว่าถ้ามีและใช้ได้จริงๆริมันก็เลยไม่สูญเปล่า ลาวัตรรอนก็เกิดคุณค่าขึ้นมาการเดินทางเนะบาเรื่อยพ้นไปเรื่อยๆนะคิดลอยครั้งนะรู้สิบครั้งนะรู้ยี่สิบครั้งรู้สาสิบครั้งสี 40, 50, นะ่สิบห้าสิบรู้ไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเนะบาไปเรื่อยๆพ้นไปเรื่อยๆนะจนเหนะมือนกับว่า ทุกครั้งที่มัรู้เท่ารู้ทนันก็ยิ้มหายสงสัยมันก็จะมีอาการแบบนั้นอยู่ข้างในบางทีมันก็มีความรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาในการละเอียดบางแ ง, าง่บางมุมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นความรู้สึกตัวที่มันคมชัดมันก็รู้เท่ารู้ทันก็ยิ้มขึ้นมาข้างในแต่ว่าไม่ใช่การคึกคันองไม่ใช่คึกคัก มันไม่ใช่อาการือกระนองหรือว่าคกอคัอกเวลามันเห็ น, หนาอาการเห็นอารมณ์ภายในมันจะยิ้มยิ้มตื่นตื่นอยู่ข้างในมันเป็นความตื่นตัวความรู้สึกตัวมันกว้างคว้างขวางกวา ง, วางมันลุ่มลึกใหม่ใหม่มันเหมือนกับตื่นตื่นดูกายไม่รู้อะไรรู้ละปล่อยรู้ละวาง แต่พอจิตมันชัดขึ้นมันเหมือนกับว่ามันมันซึงซ้งซึ้งมันลึกๆึกมันมันกลับมาดูตัวเองชัดเจนที่สุดยิ่งภายนอกก็ยิ่งคือภายนอกเลยมันเป็นเรื่องของอารมณ์นตัวหนึง่งแต่ว่าสภาวะของผู้ดูเนี่ยตัวหนึง่งมันเหมือนกับห่างกัน แต่จริงๆมันคือสภาวะของสติที่มันชัดขึ้นนะเกิดมาจากความรู้สึกตัวที่ปลุกเตะแล้ววันแล้ววันเล่านะมันจึงเป็นเรื่องที่พัฒนาการหรือการเดินทางมันบอกเราถึงว่าหยุดไม่ได้นะการทำอะไรทางกายทางวาจาทางจิตใจก็เป็นเรื่องของปัญญาพาธรรมนะสติหรือความรู้สึกตัวนะมันก็จะมีนะผล ทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรมากรอบๆตัวแต่ละเวลาแต่ละวินาทีนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวที่พาเดินทางทั้งหมดเลยหลวงปู่เทียนหลวงพ่อมเขียนหรือว่าตำรับตำลาองค์สมเด็จ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้านะสิ่งเหล่านั้นคำสอนคำบอกนะเราก็นำมาทำน้อมก็ามานะทำจิตทำใจของเรา ว่างกว้างขวา ง, วา ง, วางมีความเชื่อศรัทธาเอามาสักซ้อมดูเกิดการกระทาขึ้นมากรรมฐานวิชากรรมฐานมันก็จึงเป็นผลทำให้เกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาวิก็คือวิเศษปัจากาคืออาการของทัศนาดูญาณก็ขนส่งญาณก็คือลักษณะของการขนส่ง เป็นการเป็นการระลึกรู้นะเป็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญานี่แหละนะมันเป็นตัวไหวนิ่งนะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหะยุดอาการของกายที่เคลื่อนที่หยุดนะมันเป็นการไหวแต่มันนิ่งนะเพราะว่าเราเคลื่อนต่อไปเสมอไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ช้าหรือเร็วมันพอดีตัวตะมีช้ามั่งเร็วบ้างมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะที่แข่งกัน ระหว่างกรรมฐานที่เรากําลังผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมากับตัวของอารมณ์ที่มันแสดงออกความม่วงเราก็ต้องทําเร็วหน่อยเ ร, เร็วด้วยแรงด้วยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เปลี่ยนอิริยบทไปบางทีมันก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ทําแบบมีความชัดเจนเหมือนกันเคลื่อนเป็นจังหวะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอย่างเงี้ย มันก็เป็นการเกี่ยวข้อง αι, ด้วยความถือว่าฉลาดกันแล้วกั น, น αι, สังเกตทําแล้วมันผ่านอารมณ์แล้วก็ใช้ได้อีกเรื่อยๆไป αι, แต่ถ้าทำนานๆมันอาจจะทื่อก็ได้นะแล้วก็พอใช้ลักษณะของรูปแบบเดิมๆมันก็อาจจะไม่ทันอารมณ์ก็ได้นะก็ลองสังเกตดูทีมันก็ทื่ออันนี้ก็มีเหมือนกัน เราสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปนะบางคนก็กมีกิริยาการแปลกๆนะเราสังเกตดูบางทีเราก็สังเกตว่าที่เขาทำนะมันเป็นลักษณะของความรู้สึกตัวหรือว่าอารมณ์บรรพามาทำเราเองก็เหมือนกันบางทีนะความเบาบรรพามาทำนะพอมรนเบามันก็เคลื่อนเร็ว แล้วก็ทีบางทีมันก็ไม่เป็นเปราะนะไม่เป็นลูกโซ่บางทีมันก็ไหลเป็นแบบเหล็กเส้นไปเลยความเบามันราทำนะทำแล้วมันมันรู้สึกว่ามันตื่นตัวนะบางคนก็มีความรู้สึกอย่างนั้นบางคนทำก็เป็นสติจริงๆนะแต่ว่าบางทีเราสังเกตมันก็ไม่ใช่สตินะมันเป็นเรื่องของมันหลงก็ไปในอารมณ์นะ่งในบัดก็ต้องสังเกตเป็นนะ ทีนี้ความเกิดความพอดีขึ้นมามันอาจะเคลื่อนธรรมดาธรรๆเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดนะเหมือนกับขับรถไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอยู่ในกรอบของกฎหมายถะขับรถขับเรือแต่นะว่าการเคลื่อนมือนะอันนี้ขับจิตขับใจของเรานะให้ก็เดินทางเราก็สังเกตว่ามีกรอบของความเป็นปกติอยู่ กรอกของ14ชั่วโเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอยู่การที่เรารู้เท่ารู้ทันแล้สังเกตว่าจิตใจของเราเกิดความพอดีขึ้นมาก็แสดงว่าได้อารมณ์ปฏิบัติเคลื่อนแต่พอดีมันจะทําได้เรื่อยๆทีนี้บางกลางบางคราวเร็วบางช้าบ้างก็เป็นแค่บางกลางบางคราวลงทีก็เปลี่ยนใจบทบ้างก็แค่บางครลางบางคราวนะ บางทีบางคนเดินบอกว่าชัดบางทีบางคนเดินบอกว่าไม่ชัดบอกว่านั่งชัดกว่าอันนี้ก็ให้สังเกตเอาไม่ได้หมายถึงว่าถูกหรือว่าผิดก็หมายถึงว่าอียบทใดชัดเกิทําอียบดนั้นไปก่อนจะนั่งก็ะแดะแล้วก็ใช้อียบทเดินเป็นเป็นตัวเปลี่ยนอยโบดตัวลองหรือว่าชอบเดินเราก็ใช้การเดินเป็นหลักมันชัด ใช้ตัวนั่งสร้างจังหวะเป็นรองหรือว่ายืนซอยเท้าอยู่ที่ก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือบางทีเรานั่งสร้างจังหวะมันชัดเราก็อาจจะใชนะ้การกระดิกนิ้วเบาๆเป็นรองก็ได้บางทีมันโงกง่ว ง, งที่มันหนักเราก็ใช้ลักษณะของหยิบที่เบากว่าหรือบางทีก็ เ, เปลี่ยนทิ้งไปเลยลุกขึ้นอย่างมีสติแล้วก็เดินจงกรมไปเลย อย่างเนี้ยหรือว่าบางทีเราใช้รูปแบบเป็นหลักรูปแบบมันเป็นงานเป็นการการแช่ผ้าหรือว่าปอดบ้านใช้เป็นลองอันนี้ก็ได้ก็สังเกตพอไปทํางานทําการมันก็เบ า, ม, เบามันก็คลายแต่ว่าอย่าให้ติดอย่าให้ติดตัวเบาตั ว, ตวคลายมันก็จะกลายเป็นติดการงานท้ายสุดก็หางานมาทําไม่จบอย่าง ถ้กลายเป็นเรื่องเสียเวลานะเพราะว่าก็มีบอกไว้ชัดเจนในกรอบของกรรมฐานะนึ่คุกคนะีพูดคุยนะไม่ประมาณในการบริโภคนะขนกวายการงานหางานทำไม่หยุดพวกนี้มันเป็นการเดินช้านะหรืออีกมากมายเหลือเกินในการหลับในการนอนอสารพัดนะมันทำให้เสียเวลาเดินช้าเวลาปฏิบัติเราก็ลองสังเกตดู อาการต่างๆที่ปรากฏตัวไหนเป็นตัวส่งเสริมทำให้เราปฏิบัติรมแล้วก็รู้สึกเรื่องๆในการปฏิบัติก็ไม่พ้นตัวที่เป็นโทนปิติโทนที่มีตัวสงบกายสงบใจกายรู้ตาจิตตารูต่มันเป็นโทนของบวกไฟบวกที่ชวนทาให้เกิดความขยันเราสังเกตดู จนกระทั ER ang, not, Entonces, ่งม mm ันไม่ใช่ขยันหรือว่าไม่ใช่ไม่ขยันนะจนไม่ใช่ว่าเป็นความเพียนหรือไม่ใช่ความเพี่ยนบางทีมันเป็นความเพียรนะบางทีมันเป็นการพักทํายังต่ามันไม่ใช่พักไม่ใช่เพี่ยนเป็นเรื่องของทําได้เรื่อยๆเห็นอารมณ์ที่มันเป็นเรื่องของผลเกิดจากเหตุก็คือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้ชัด มันพาทำทาได้เรื่อยๆก็แสดงว่ามันได้อารมณ์ปฏิบัติแน่นอนนะมีบา้างมีมากบ้างหรือว่ามีน้อยบ้างนะก็ให้เหมือนกับว่าไม่เป็นไรนะแต่ละวันตะวันเนี่ยโดยส่วนตัวผมและตมาจะมีความรู้สึกตัวว่าทุกครั้งนะที่มันมีความรู้สึกตัวดยพาะในช่วงใหม่ๆของการฝึกเนี่ย เหมือนกับการเก็บเงินใส่กระปุกจริงๆเอาตังเหรียญหนึ่งหยดใส่อมศินจะเหรียญห้าสิบตังเหรียญยี่ห้าตังหรือว่าเหรียญบาทก็ตามเหรียญสิบเหรียญสะลัพัดหยดใส่วินาทีหนึ่งหยดใส่ครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งหยดใส่ครั้งหนึ่งมันเป็นคําท้าทายตัวเองท้าทายตัวเองว่าไอ้สิ่งที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์สอน เชื่อว่ามีจริงแล้วมันจะมีที่เราหรือไม่ท้าทายตัวเองแบบนั้นเชื่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เทียนหลวงพ่อขียนหรือว่าพระเจ้ า, จ า, จาหรือสาวกอริยสงฆ์ต่างๆมีจริงๆปาว่าของมรรคผลนิพพานในตัวของท่านแต่ว่าของเรามีหรือยังแล้วทําไงถึงจะมีท่านบอกให้รู้ให้ถูกต้องแล้วให้ต่อเนื่อง เพราะนั้นก็ว่าถูกต้องต่อเนื่องหือรู้ทุกๆขณะเนะวลาทีหนึงรู้ข้างหนึ่งเพื่อจิตของเรามันอยู่กับปัจจุบันก่อนนะอยู่กับปัจจุบันจนมันรู้ปัจจุบันจนมันเห็นปัจจุบันอย่างนีน้จนเกิดการปล่อยวางปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยก็วางเหมือนกันวีมุตตรงนั้นแหละขณะเดียวขณะเดียวก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ทำด้วความใส่ใจตั้งอกตั้งใจ โดยที่ผลที่มีอยู่ในกูบาจารย์มันจะเกิดที่เราได้หรือไม่มันก็เปลี่ยนไปรู้เท่ารู้ทันความคิดคิดปับ๊บกลับมาเป็นมันคิดเท่าไหร่ก็กลับมาเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องของการเก็บอารมณ์กรรมฐานอยู่กับตัวเองก็เห็นตัวเองอารมณ์ต่างๆที่มันมันเหมือนกับมันแน่นมันเหนียวมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้เท่ารู้ทัน เลยว่าความโรบเนี่ยมันเกิดละเอียดนะตัวโกรธนิยาบตัวโกรธเนี่ถูกรู้ถูกเห็นได้ไวนะแต่ตัวราคานะกลายเป็นตัวโรบเนี่ยตัวนี้ละเอียดนะแล้วก็เกิดที่การคิดการปรงุงและการนิสัยเก่านะนิสัยเก่าที่มันเคยพอกโพนมานานนะตัวความโรบก็คือตัวที่มันอยากอยู่ได้ในโลกนะการมีชีวิตนะแล้วก็ไม่มีภัยนะมันเป็นตัวของความโรบตัวราคานะ หรือบางทีชีวิตมันจะต้องมนะีวัตถุหนึ่งสองสาเมื่อคนหนึ่งสองสาเพิ่มขึ้นนะเพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยนะมันก็เป็นเรื่องของการลักตัวกลัวตายนะมันก็โยไม่หาตัวมัจจุมาณนะตัวกลัวนะกลัวที่จะไม่สบายกลัวที่จะนะมันก็ว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปนะ ประทุนหนึ่งสองสามศูนย์ไปหรือว่าบุคคลหนึ่งสองสามห่างไปมันก็ต้องถูกรู้เท่ารู้ทันจนกระทั้งมันเหมือนกับว่ามีตัวเราในโลกนี่แหละนะเราก็สามารถที่จะอยู่ได้โยนพึ่งตัวเองให้มากที่สุดอย่างนี้แหละนะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าพิสูจน์ว่าธรรมะนะมันเป็นตัวที่นะดูแลเราอยู่นะธรรมะธรรมชาติของจิตนะธรรมะธรรมชาติของกาย ธรรมชาติธรรมชาติของสรสัตว์สุรสิ่งความเป็นปกติทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันเป็นศีลกายว่าจารเรียบร้อยมันชื่อว่าศีลเงี้ยเราก็ได้เห็นอ๋อตัวนี้คือศีลจริงๆกายเรียบร้อยเป็นปกติดีนั่งเดินยืนนอนอ่างเงี้ยว่าใจาก็เรียบร้อยไม่ได้คิดไม่ได้พูดอะไรอ๋อมันคือศีนลนะเราก็ฉลาดตรงนั้นสมาธิคือจิตมันนิ่ง นิ่งๆรู้นิ่งๆรู้สึกตัวอยู่อย่างต่อเนื่องใหม่ๆเป็นอย่างนั้นอ๋อตัวนี้คือสมาธินะแล้วเวลาทํางานทําการจิตก็มีสมาธิอยู่กับการกระทํำสิ่งๆนั้นอ๋อตัวนี้คือตัวสมาธินะมันนิ่งๆรู้อยู่ปัญญาก็หมายถึงว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองกับผู้อื่นกับอาการต่างๆย กับภายในกับภายนอกกับวัตถุ1น3่บุคคลหนึ่งกับวัตถุอาการสมมติบัญญัติที่มันเกิดขึ้นมาอเงี้ยอ๋อตัวนี้คือตัวปัญญานะมันรู้สมมติมันรู้บัญญัติต่างๆบางทีก็มีอัธถาบัญญัติความลึกซึ้งต่างๆของผู้รู้ในหน้าที่การงานมันก็มีเหมือนกันนะอาชีพที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้มันมีความตรงไปตรงมาแล้วก็ผู้รู้ ก็ไถกเถียงจนกระทั่งเป็นวิชาการต่างๆเราก็หยิบมาใช้ในหน้าที่การงานต่างๆต้นไม้ใบหญ้าสตว์สาราสิ่งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็เป็นลักษณะของอัตตาบัญญัติจนกระทั่งเป็นเรื่องของธรรมะศาสนาพุทธก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็เป็นเรื่องของอัตตาบัญญัติอริยบัญญัติก็หมายถึงว่าในอการต่างๆ มันเป็นเรื่องของบัญญัติที่เกิดขึ้นโดยเพราะการปรุงการแต่งมันมีภาษาการต่างๆมันไม่ใช่ภาษาคนมันเป็นเรื่องของเราไม่ทุกทุกครั้งที่เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเช่นการเคลื่อนมือกายเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันเกิดการวางกายขึ้นมามีตาตากระทับปุม่มก็เกิดการวางตาขึ้นมามีเสียงเมื่อตบทางหูก็วางเสียง เราเห็นอาการนั้นมันหลุดออกไปมันเป็นวิมุตต์ตรงนั้ น, นคืออายะบรรยัญญัติอันนี้ก็เป็นความเห็นของตัวกระผมเองของตัวอาตมาเองอที่เห็นอาการเหล่านั้นอันนี้ก็คือตัวปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดวิมุตต์วิมุตต่หละกือตัวสูงสุดมันพ้นทุกขังที่เกิดอะไรขึ้นมานเป็นอาการแล้วก็ไม่ทุกอาการเหล่านั้ น, น, นอันนี้ก็คือตัวปัญญา เพราะนันปัญญาเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ยึดแล้วก็ยึดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาการเหมือนกันแล้วก็เกิดดับเหมือนกันสติก็เกิดดับสมาธิก็เกิดดับปัญญาก็เกิดดับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ย อันนี Yo, hè, ้เราคือสังเกตว่ามันคืออริยบัญญัติมันยึดไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นลักษณะของทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาบางทีมันก็เห็นตัวดับเป็นอนัตตาทันทีการเกิดขึ้นเกิดขึ้นตอนไหนบางทีมันก็ไม่ทันมันตั้งอยู่แล้วก็ไม่ทันแต่ตอนดับเนาะเราสังเกตได้อันนี้ก็สังเกตมันเป็นอริยบัญญัติเหมือนกัน บางทีมันก็ทันตอนเกิดเลยแล้วมันก็ดับไปเลยอย่างเงี้ยเรื่องงทีมก็เห็นอยู่สภาวะของธรรมชาติบางตัวเช่นนมเห็นตัวสติมันก็ไม่ได้เห็นจิตว่าเกิดดับยังไงแต่มันก็เห็นสติเด่นอยู่เงี้ยบางทีมันก็เห็นกายพอเราฝึกกรรมฐานที่ฐานกายมันก็เห็นชัดทุกครั้งกายเป็นรุ่นก้้นกายเป็นวิหารธรรมมันก็เห็นชัดแต่ว่าบางที สติมก็รู้สติมันก็ไมด้มารู้กายหรอกนะมันเป็นสภาวะของว่างๆว่างๆบางทีมันก็ชัดอยู่ตรงนั้นกายก็ไม่ได้ชัดอะไรกายมันหายไปแล้วมันหายตัวไปมันหายไปไหนยกมือไปยกมือมาบางทีร่างกายหายไปไหนกันไปแล้วมีแต่ความว่างมันไม่ใช่การคิดการปรุงเลยนะมันไม่ใช่ปรุงแล้วนะในความคิดแต่ว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นมาย่เี แต่จริงๆแล้วตัวนั้นก็คือตัวปรุงแต่งเหมือนกันนะตัวสติก็คือตัวสมมุตนะิที่มีการปรุงแต่งเหมือนกันเป็นไปหนาอาการนะที่บางทีเนะี่ยตัวเขาเองเนะี่ยแสดงเด่นขึ้นมาออกหน้าออกตาขึ้นมานะกลายเป็นความกล้าสติกล้าขึ้นมานะอันนี้มันก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็วางเหมือนกันนะกลายเป็นไม่ได้ยึดนะเพราะติดการระลึกนะ ก็เหมือนกับว่ามันยังมีภพชาติอ ย, อยู่เราสังเกตเอ้อันนี้มันก็คืออริยบัญญัติเหมือนกันนะทุกตัวนะธรรมะทั้งหลายทั้งปวงยึดถือไม่ได้นะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรามีอาการเกิดดับเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมีอาการเกิดดับทั้งหมดนะมันก็จึงเป็นเรื่องของอริยบัญญัตินะในความเห็นของตัวเอง นะเราก็จึงเหมือนกันทุกคนนะเป็นเรื่องของการอบการรมนะการพัฒนาจิตเราก็เห็นว่าสภาวะของจิตนะที่มันหนักอึง้งนะเป็นภพเป็นภูมิเป็นอบายภูมินะมันขัดแย้งภายในจิตภายในใจนะมันก็คลายออกมากลายเป็นว่าเรารู้ภนะภูมิมันเป็นยังไงนะบางทีมันก็เป็นเรื่องของมีความสุข มีการให้แต่ว่าท้ายสุดกลายเป็นความทุกข์มันเป็นเทวภูมิอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบางทีก็มีอาการของความดีแล้วขัดแย้งด้วยความดีอย่ามันเป็นลนักษณะของเทวศูนย์อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะภพภูมิของเทวดายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมีความสุขอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีเมตตากนาอ๋ อ, อปลมมันเป็นอย่างนี้มันมีอารมณภพภูมิอยู่ด้วยในจิตในการของจิตของใจเนี่ย เป็นเป็นลักษณะการเรจนะ็บในเมตตานะเป็นความสุขที่มันมีมหาศาลเหมือนกันแล้วนทะ้ายสุดก็คือมันก็ความหาเหมือนกันเพราะมันเป็นอาการเกิดดับพบภูมิทุกพบภูมิมันมีการเกิดดับทั้งหมดนะ่ยมันก็จึงเป็นเรื่องความรู้สึกตัวที่นะเราสรรสร้างขึ้นมาการเคลื่อนกันไหวแต่ละครั้งแต่ละขณะ น, นี้มันเป็นการผลิตนะความรู้สึกตัวขึ้นมา มันจึงสรุปลงนะในความรู้สึกตัวนะมันเป็นเพียงแค่อาการนะถึงมันจะเป็นภพภูมนะิแต่ว่าการอยู่เหนืออาการเหล่านีนะ้ก็เชื่อว่าเป็นคําพูดของนะหลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือว่าแม้กระทั่งในปติวิโรก็ตามก็เชื่อว่าอันนี้ก็คืออริยะนะก็คือมันพ้นออกมาจากการทั้งปวงอย่างนี้นะขอก็พูดให้ฟังตำหรับเช้านี้กลับมาพร้อมกัน